สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิีเชพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยแปดสิบสามชุดพระเยซูตอนที่ห้า้อยแปดสิบสามพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราในพระภาคของพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ผมจะต่อนะครับก็คือเราจะต้องพึ่งพา พระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มกำลังพระเยซูคิดพระบุตรของพระเจ้านั้นทรงพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระบิดาทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเยซูนั้นไม่ว่าจะเป็นการประสูติการเป็นที่มีความตายด้วยแล้วแต่เป็นกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นเราจะดูกันนะครับว่าพระวิญญาณได้ทําอะไรบ้างในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนนะครับในหลายตอนด้วยการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูยกตัวอย่างเช่น พระเยซูทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณอันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หนึ่งข้อยี่สิบลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบเอ็ดนะครับการที่พระเยซูปฏิสนด้วยเพื่อนยานบริสุทธิ์นั้นก็คือเป็นหลักฐานที่พูดถึงว่าชีวิตของพระเยซูนั้นก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณครับและพระวิญญาณได้กระทำพระเจิีของพระองค์ในทุกๆส่วนทุกๆภาคส่วนเพิ่มพีต่อไปก็คือ การรับใช้พระเจ้าของพระเยซูคริสต์นั้นก็ได้รับการทรงนำจากพระวิญ ญ, ญาณอันนี้จะพบในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่นะครับข้อที่หนึ่งนะพระเยซูได้รับวิเดศจากพระวิญญาณอันนี้อยู่ในลูกาบทที่สี่ข้อสิบสี่นะครับและก็พระเยซูนะครับได้สั่งสอนโดยพระวิญญาณนะและพระองค์ทรงเชื่อฟังพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ครับอันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อสิบเก้าข้อยี่สิบ พี่นะครับผมจะอันเชิญพระเจ้ของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อสิบเก้าถึงยี่สิบเพื่อสุตัดกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำและสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรก็จะทําเหมือนกันเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกอย่างที่พระองค์ทรงทําเราจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้น การที่พากษาของเรานั้นก็ยึดติดละเพราะเราไม่ได้มองที่จะทําตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ส่งใช้เรามาเพียงครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นได้เชื่อฟังพระบิดาครับและพระองค์ได้รับการคําสอนของพระองค์ได้รับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและพระองค์ส่งเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในพระคัมภีน์ในผู้เชื่อในสมัยแรกเริ่มในกิจการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ ยกยกตัวอย่างเช่นในคลิกจักรที่เมืองกาลาเทียบางครั้งนะครับเราก็ลืมไปครับว่าเราต้องการกำลังจากพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดคำตอบก็คือว่ามากจริงๆครับเราต้องการพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มากเพราะว่าพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นฤทธเดชครับงานของพระองค์นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนพระเยซูให้มีความบริสุทธิ์ ฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราพระองค์ทรงเป็นมิตรสหายนะครับพระองค์ทรงเป็นมิตรสหายตลอดไปพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบี่ข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดเปเยซูตรัสว่าเราจะพูดกับพระบิดาและพระองค์จะให้มิตรสหายอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อว่าท่านจะมีใครอยู่กับท่านตลอดเวลามิตรสหายผู้นี้คือพระวิญญาณแห่งความจริง พี่น้องครับนี่คือเพิพ่งพี่ฉบับแปลเดี๋ยวเมสเซจนะครับสิงขออนุญาตนะอัญเชิญมาเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนสนิทเป็นมิตรสหายนิรันดร์ของเราพระองค์ปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างเราพระองค์เป็นผู้ช่วยนิรันต์ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หลับครับเพิ่งพีกล่าวว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าสถิตกับเรานั้นทรงหวงแหนเราอย่างยิ่งพี่น้องครับมีใครที่หวงแหนเรา นะครับอย่างยิ่งนั่นก็คือพุทธิยาณบริสุทธิ์ผู้นั้นก็คือพุทธิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเคารพนับถือเราต้องรู้จักพุทธิ ญ, ญานบริสุทธิ์ให้ดีครับเพื่อที่เราจะมีความจริงของพุทธิยาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและเราจะปฏิบัติและตอบสนองต่อพระธิ ญ, ญานบริสุทธิ์นั้นอย่างถูกต้องมิตรภาพแท้จริงกับพบุทธิญาณบริสุทธิ์นั้นประเมินค่าไม่ได้ครับพี่น้องการทรงสถิตและฤทธิเดชของพระองค์จะทําให้เกิด ความอิ่มใจที่เปรียบไม่ได้ความอิ่มใจในที่นี้หมายถึงความสุขใจความชื่นชมยินดีความรู้สึกเต็มอิ่มพระเยซูกล่าวถึ ง, งผู้วิญญาณบริสุทธิ์ว่าแต่คนที่ดื่มน้ําที่เราให้กับเขานั้นจะไม่บ่นกระหายอีกเลยพี่น้องครับน้ําตรงนี้คืออะไรครับพระเยซูตรัสก่อไปว่าน้ําที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบอ่อน้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์น้ําที่นี้หมายถึงผู้วิญญาณบริสุทธิ์ครับ โลกนี้ไม่รู้จักคำว่าพอเพราะว่าไม่มีอะไรที่สามารถเติมโลกนี้ให้เต็มได้ความยินดีที่มาจากโลกนี้ก็เหมือนกันครับเป็นความยิดีที่อยู่ชั่วคราวชั่วครู่ชั่วครั้งแต่พระเยซูตรัสว่าใครก็ตามที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะมีฤทธิดเดชนะครับที่จะเติมเต็มทุกวิญ ญ, ญาณจิตของเราให้อิ่มครับอิ่มเอิบใจสุขใจเต็มอิ่ม นี่คือสิ่งที่พิญญาบริสุทธิ์ทำในชีวิตของพวกเราเพราะิญญาบริสุทธิ์นั้นสามารถเติมเต็มมีแต่พิญญาบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถเติมเต็มจิตใจของมนุษย์ให้อิ่มได้ที่น้องครับน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีพิญญาบริสุทธิ์เติมเต็มหรือทําให้เราเติมอิ่มแล้วแล้วก็เราก็จะไม่มีวันที่จะรู้สึกพึงพอใจรู้สึกเต็มอิ่ม เพราะการเต็มอิ่มของเรานั้นเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นหากเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวเติมเต็มชีวิตของเราถวายตัวเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเคลื่อนไหวพุ่งขึ้นในจิตใจของเราเราจะไม่หิวกระหายอีกเลยพี่น้องครับมันเป็นความชื่นชมยินดีที่อธิบายไม่ได้และเป็นความอิ่มใจที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก นี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่มีในพระวิญญาณบริสุทธิ์คำถามก็คือเรามีน้าผู้แห่งชีวิตพุ่งขึ้นภายในเราหรื อ, อยังเราได้มีประสบการณ์กับความอิ่มอกอิ่มใจ <c oughs> ที่มันย้ายไม่ได้แล้วหรื อ, อยังให้เราภาวนาอธิษฐานนะครับเงียบๆ เ, เพราะว่าขอพระเจ้าได้สาแดงให้เราเห็นนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรง เป็นมิตรสหายที่รักเราและขอให้พระองค์เทความรักสารทิจุขของพระองค์ให้กับเราด้วยความสงบนะครับและเราจะประสบรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและเราจะมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงรู้จักเราอย่างดีเพียงครับขอให้พระเจ้ากัวิญญาณบริสุทธิ์ เติมเต็มความเข้าใจและให้เราทั้งหลายมีประสบการณ์ให้เราทั้งหลายได้เห็นพระลักษณะ <c oughs> และบทบาทของพระองค์ที่หลายหลายครั้งเรายังเข้าไม่ถึงยังไม่เคยเห็นมาก่อนในฐานะพระผู้ช่วยที่เรียกว่า the helper นะครับเราหน้าจาริษฐานขอพระองค์ทรงช่วยเรานะครับที่จะไม่จํากัดการสถิตอยู่ของพระวิญญาณไม่จากัดฤทธิอนาจของพระวิญญาณ หรือเราจะไม่จำกัดพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงสำแดงของพระองค์ที่ปรากฏในชีวิตของเราเราจะต้องอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อตัวของเราเองและครอบครัวของเราคริสตจักรของเรานี่คือสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานที่ผมเองนั้นปรารถนาที่จะอธิษฐานเพื่อตัวเองและเพื่อพวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะ ก, การรับการเต็มล้นที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่น้องครับหากเรามีความรู้สึกว่าชีวิตแร้งแล้งน่าเบื่อไร้ซึ่งหริอเจตขอให้เราที่จะอธิษฐานครับองค์พระผู้เนเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนะครับและพระวิญญาณ ข, ขององค์พระผูเนเจ้าทรงอยู่ที่ใดใสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโคดินบทที่สามข้อสิบเจดนะครับที่น้องครับ การมีส่วนร่วมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ามกลางผู้เชื่อในยุคแรกนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับอย่าให้เราถดถอยในการรับใช้พระเจ้าอย่าให้เราถดถอยในการร่วมสามัคคีธรรมแต่ให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพาการทรงนำและพึ่งพาฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็จะไม่แห้งแรงหน้าเหมือเหมือนเดิมนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่ เราจะมีพวัญญนณบริสุทธิ์และรับการเติมเต็มที่มาจากพวัญญนณบริสุทธิ์อเมน